1. และสุนวัตสิกขาบทที่7ว่าด้ยวยการขอข้าวเปลือกดิบเรื่องพิษุณีหลายรูป820สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอน า, าถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นในฤดูเก็บเกี่ยวพวกพิกษุณีออกป่าขอข้าวเปลือกดิบนำไปในเมืองพอถึงประตูเมือง พวกคนเฝ้าประตูกักตัวไว้โดยกล่าวว่าแม่เจ้าท่านทั้งหลายโปรดให้ส่วนแบ่งบ้างแล้วปล่อยไปครั้นกลับถึงสำนักได้บอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยตําหนิประนามโพนธนาว่าชไนภิกษุณีจึงออกปากขอข้าวเปลือกดิบเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ